สวยเลยนะอย่าเซโมมากเกินหัดเซเยสซะบ้างเดี๋ยจะไม่ให้เยดเกินน้องไว้สุดท้ายอยู่ที่ไหนครับดิชั่สุดในกิ้งว่ะฟังๆดูแล้วอะไรวะที่จะเปิดบังความเรียนรู้ของพวกเราเดี๋ยวจะเบรกแล้วอะไรเอยที่เปดบังการเรียนรู้ตัวนี้แหละทำลายหมดทุกอย่างเลย ติลำเอียงซึ่งพีเตอร์เซนเรียกว่าเมนเลยครับเมนเทลโมเดลอย่างบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนฟังผมไม่ได้นะจามพัดลาโมกพูดไม่สุภาพนั่งแล้วแบบหูเครียดมาก <c oughs> อี๋อีไหวนี่คนไม่ไหวอีไหวนั่งแบบหูจามพัแม่นาโมกฟังไม่ได้ แม่เราจะห้องไปโง่เองมึงตัดอากาศมึงล้วใช่ไครับคุณคงว่าทางแม่เรื่องมึงเนี่ยครืลองสอนให้มึงเรียนรู้ว่ามึงอย่าเป็นคนอย่างนั้นมึงต้องตั้งใจฟังถูกไหมครับมึงต้องรู้จักหยิบของดีของร้ายออกจากอาจารย์ที่ฟังอยู่ปลาเนี่ยกินได้ทั้งตัวแม้ปลาตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีกล้าถูกไหมครับ คุณก็ต้องแยกออกอะไรคือเนืออะไรคือก้างไม่ใช่เขาเกียดก้างเขาเลือแบกเนื้อซวยไปใช่ปะคุณต้องรู้แล้วนะผมสอนไว้นะผมก็สอนชุดห้าก็มีนะเพราะว่าทุกปีผมไปสอนพระที่วัดอ้อน้อยจำาหมหลผมพ่อผู้ใจฉลาดพระทั้งวัดอ่ะสี่สิบสี่สิบสี่สิบลูก้วลามีท่านดูดวงมาแล้วก็มาจำพรรษายเงี้ยผมก็จะสอนพระถ้าสอนพระคุณแม่ผมจะสอนแบบนี้ไหม สอนพระคือก็ต้องขอถวายความรู้ไอะไรวะยันแล้วทุก็เทพให้ฟังเทพในพระฝังปิดตาดิซ้ำไปสอนพระยัคนจะโจท ย, นะจทยกันนะโจทกันหรือทั้งหลวงพ่อให้ผมวงเทพเนี้ยชาว บ, บ้านมาเต็มสาราวัดเลยหลวงพ่อโยนไมโครโฟนมาด็อกเตอร์วรภัทรวันนี้อาจจะมาเหนื่อยด็อกเตอร์วรภัทรช่วยเทศหน่อยใครยัเงเรียบร้อยมั้ยใช่ปะ่ะ ก็เมืนขึ้นธรามะนะกรก็เท่สุภาพด้วยครับเฮ้มันไม่ใช่เว้ยอ้นีแมงโรงงานใช่หม <c oughs> ลยลยุยแต่ถ้าเกิดประชุมที่ในสภาล่ะเราเข้าไปน้างกฎหมายนะเรียบร้อยป่ะอำใอหร เ, เรียบร้อยใช่ไอยู่กับหลกระทรวงนี่กูเรียบร้อยเลยใชั่นะก็อเหตุการ์ด้วยนะโอเคนะครับตรงขึ้นเช้านี้ยังไม่ได้สอนเลยเลยนะก็จัสรุปของเมื่อวันวานทาไมผมต้องพูดย้าแบบนี้ ผมเรียนแบบในการทีวีที่ชื่อเทเลทัฟ บ, บี้มันจะฉายมูฟวี่มดูรอบหนึ่งแล้วย้อนดีพีอีกทีหนึ่งนี่คือเด็กสามขวบและเด็กจะกรี๊ดกันทุกคนเพ่ได้ดูซ้ําอีกรอบนึงเพราะเด็กมันจะเก็บรายละเอียดไม่ได้ผมก็เลยคที่ทุกคุณเด็กสามขวบดังนั้นทำไมครับเดี๋ยวกลับเข้ามาซ้ําอนะีกรอบนึงแล้วแผ่นเดนเอีกรอบเอาอะอะไรยัง <c oughs> เจครั้งเนี่ยบางคุณจำได้เ้ามีอุปกรณ์หรือาอะไรับถุยเรื่อยเลยนะดึงดึงดึงดึงดึงดงดึงอ่างผมหยุดลวก็แล้วแต่นะถ้าพวกคุณไอคิวสูงมากผมก็ถุยถุยถุยถุยถุยถุแล้ววัหลังคุณไปนั่งอ่านเองก็โอเคใช่ป่ะหญิง่ิษสันติจีนะคุณเป็นคนกาหนดแผนการเรียนไม่ใช่ผมกาหนดอยู่คุณเป็นผู้กําับชะตาชีวิตในการเรียนรู้ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์เป็นแค่ก o เกิล ผมเป็น Google คุณแนที่กดคำเซิร์ h เข้ามาผมเป็น Google น่อยเฉยผมคือก o เกิลโอเคนะยากโยมทางไลนบัตรนี้ก็ได้เวลาแล้ว น, นะไปยืนโชว์แชร์กันได้นะคุณเ <c oughs> นะี่ยโอดี้อยากดูไหมสิบสองเดือนใช่ไหมคูณด้วยสิบสองปีนะักขัตคูณด้วย31สามสิบเอ็ดวันดย ตั้งแต่คนไเรื่องเลยเลเป็นจุดเริ่มต้น starting point ที่เราจะเข้าไปศึกษาเขาจากนั้นค่อยๆนั่งดูว่าใช่ไหมไม่ใช่ อ, ออกไป เ, เราผิด เ, เปลี่ยนเป็น p o o k a b i l i t y แล้วก็เอาออกเตตัวทีกตั ว, ต ว, ตวคุณก็เริ่มได้ไอเดียอะไรมากขึ้นแล้ววิธีได้คอมเมนต์คุณผมจะสอนให้คุณน ะ, ะคุณต้องหัดดูเขาเรียกว่าอะไรอะ อตาตชีวประวัติของคนเนี่ยผมเน้นให้คุณประจําเลยครุณาอ่านหนังสืออตาตชีวประวัติคนเพื่อเก็บไอเดียเก็บวิธีคิดอย่างคุณอ่านเชคูวาราใช่ไหมคุณคุณอย่าสับแต่ว่าอ่านเชคูวาราอะไรเป็นอิทธิพลทําให้เชคิดแบบนั้นเชให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรอันดับหนึ่งสอง ดูความมานะของมันดูความตัดสินใจดูความกล้าใช่ครับคุณก็จะได้ไอเดียจากมันแต่แต่ไม่ให้เป็นอย่างมันแล้วคุณก็จําเชคูวลาเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเห็นป่ะคุณจําหน้าตาเชคูวลาไว้วันใดก็ตามเจอรูปน้องหรือคนหน้าตาใกล้เชคเชคูลาคุณพยายามค้นแพร่ค้นแพร่กับเชใกล้เขียงเมาืากกับเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยคุณคุณจะไวกว่าเดิมเยอะเลยมาเรียชลาปัาเสือวันที่เท่าไหร่ สิบเก้าเมษามีเลขเก้ามีความสามารถพิเศษหนึ่งมีความเป็นมั่นใจใช่ไหมสี 4, นกกน่นักกีฬาชัดนักกีฬาส่วนใหญ่เกิดเดือนเมษากละเดือนกันยาเยอะมากกันยามีเลขเก้ามีความสามารถพิเศษนักล้อส่วนใหญ่เกิด ม, ม, มิถุนาแต่สิงหากรุ๊งหกกับแปเนี่ยเทียบ ทุกอย่างมันเหมือนเล่นเกมแล่นนาฬอกอะคุณจะเอาค น, นหลายๆอย่างมาผสมด้วยกันดังนั้นคำคมของผมก็คือทีมเลิฟแปลว่าอะไรครับคืออะไรครับคนเก่งกี่คนครับคนเก่งหลายแบบมาทำงานร่วมกันอย่าเสือโอเกเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันไม่ฆ่าตาย แต่อาจารย์หมาอะไรเนี่ยเวลาวิจ uh. ัยเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยเสืคนเก่งเรื่องเดึ่งกันมาวิจัยมาจับมันทําเรื่องเดียวกันที่ผายแม่กัดกันก่อนแทนที่มันจะทำอะไรทั้อย่างในแม่ตีกันอัตาแม่งย่างสูงเกินทําอะไรไม่ได้มันต้องเกิดการแชร์ลิงหลายๆส่วนเราผสมผสมผสมผสมเขาไม่ต้องพังมีปัญหาหมดเลยตีกันด้วยต้องลบตัวนี้ลง ลดอัตาลงเข้าได้ถ้าลดอัตาไม่ได้จับยามาอยู่ใกล้กันบวตาก่อนเนี่ยบางคนอัตาแม่งสูงคุณเคยเห็นว่าเรามาชุมกันในบริษัทนะแทนที่จะเขียเงกันเรื่องผล ง, งานกลับมาเขียงกันเรื่องว่ามึงกำลังข่มกูเป็นเวนคุณเคยทะเลาะกันั้างป่ะอันนี้จะพว้คุณถ้าพวกคนที่สุดทำหน้ามันน้อยเนี่ยผมไม่ไปชุมด้วยแม่งเหนื่อยพอาคุณจะเต็มไปด้วยอัคติลําเอียงสัญญาสังขารการปุงแต่ง คุยไปเป้าประสงค์องการประชุมแม่งคลาดทันทีเลยมันจะบดไปเรื่องกับอิมมชันลหมดเลยเรื่องอึตอัเรื่องการพิสูจน์ตัวเองเข้าใจไหมอย่างผมเนี่จบนาซามาเนี่ยไปอยู่จุราเนี่ยผมเรองอึดอเลยเข้าใจยังเวลาประชุมภากันอาจารย์บางคนแม่งโคตรแสบเลยบอกว่าไงวะสมัยนี้นาซารับคนง่ายเนาะรู้ัง่ายเล่นกัน่เราอย่า้วมไประชุมด้วยเข้าใจยังคุณไม่ทีอยกว่คุณีหว่เข้าใจไมไม่เอาละ ไีงเนีโโ่ยโอแมกูเวจบเท็กซัสเวเกมทิพไผยโถไออ่อนเท็กซัสเนียเนี่ยนะครับกูเป็นนองไงใช่ไหมรูก็ดา่ากลับได้แต่แม่ง เ, เอาจาร์เก่ากูมึงกล้าหนาป่ะรู้ป่ะเมื่อก่อนชอบผมอยูยอละเฮ้ยผมเ่มอยู่กับลูเซอร์เริ่งทางานกับผู้พ่ายแท้อยู่ต่อไปกูเข้ากลุ่มผู้พ่ายแท้กูย้ายทีมเข้าใจไหมรูนี่ห็นกูกูนี่อยูอย่ไอว่าต้นป่ะถ้ามึงอยู่กับอยู่แมนยูพิชเช่ซีมากูไปแล้วแค่ไห ผมก็อยู่เพ่อ้แพ้ด้ยค่รอบตัวผมได้นายยี่เงีสนรอบตัวแม่งยี่เงีแล้วกูอยู่กับมึงอย่างไรก็สักพักเลยเดี๋ยวกูมีที่ดีกว่ากูไปแล้วเพราะถ้าเกิดคุณไม่ไปก่อนสี่สิเนี่ย้วมึง้าถ้าถึงสี่สิแล้วก็ขอแนะนาว่าอยู่ต่อไปอดทนอยู่ต่อไปมึงหมดสิ้นแล้วด้วยถุงซุกเนียสี้าไม่้ไมอง้องมองชาตมองไกลๆองเจ้า คุณควรจะมีเพอร์ซนาลคนซอรแทนมีอย่างเพอร์ซนาลคนเซอรแทนที่ปรึกษาส่วนบุคคลบริษัทใหญ่ๆต้มีคอนเซอรเลยมึงยัไม่มีวะคุณว่าทักษิณมีคอนเซอร์เยอะไหมยีม่สิบคนบางคนได้ไลยยี่สิบล้านไม่ต้องทำอะไรมาทุ่งเททักษิณเพียงเดียวเข้าใจไหมอดีตเป็นหแลบบ ผู้ยิ่งใหญ่ขององค์การโทรศัพท์เนี่ยแกได้ยี่สิบล้านลูใครอยู่กับผมถ้าอยางวิธีคิดเองมันต้องเปลี่ยนแล้วคุณคนเซ้าค่ใครแล้วคนเซ็ปคุณเก่งหรือเปล่าคุณกำลังทำตัวเป็นอะไรครับคุณมือ่นพ่อเก่งครับพ่อผมเก่งเดี๋ยวพ่อมันเก่งขนาดไหนวะมไมไ่รู้ถึกข่อคุณนะแต่ข้อคุณเลเวลไหนคุณต้องคิดติอย่าใช่อารมณ์คุณว่า แต่ว่าคุณต้องมองเมองสเปคข้ามมุ่นไปใครคุณครนรจะเข้าไปอยู่ใกล้ใคร ใ, ใกล้ชิดใครเขาจะขึ้นไม่ได้ขนาดไหนตอนนี้ผมกำลังสู้กับใครอยู่ด้วยวสมคิดจะสมคิดว่าเออลวลาประชุมเวลาเข้าประชุมกระทรวงด้วยกันนะสมคิดแม่งโคตรไกลเลยคุณดูนะไอชิ่ภาษาทักษิณแม่งโคตรเก่งเลยฮนะพอสูนายนี้แม่งตีได้ถือว่าตีตูม ผมกคิด่าผมต้องทำว่าทูนแ็กเหมือนกันแม่งคิดได้ก่อนครูทุกทีอ่ะอย่างเงี้ย ค, ครูสูนพวกมึงละมึงคิดได้ก่อนครูมันคิดอะไรได้ไหรืมั้งต้ปั๊บแม่จัดระเบียบใช้ยหาดใหม่โอ้โหแครูยังนึกไม่ทันเลยขนาดผมอยู่ทางใต้เยอะมากอรวะแม่คิดได้ก่อนครูไอส้สสทางใต้โง่ทิพหายคิดไม่ได้ถว่าผู้แม่งมาแป๊เดียวแ่คิดออกจัดระเบียบใหม่ไล่มาเฟียออกใช่ครับสองตั้งสืเนียรครับเตอนภัยสึนามิสามแม่ในถายภาพฝรัอยู่ริมหาด สรีสร้างเรื่องว่าขาดแม่งสะอาดกว่าเดิมโอ้แม่นึงฝรั่งเก็บแอนนี้แม่งคิดได้ไงถอว่าถ้าให้สสใต้เออเรื่องนี้ผมต้องพิจารณานะมันละเอียดอ่อนต้องขอครบมือึ้มึงไปกณไม่เรีอกมงว่ามงโกน่เอาโลกใช่ไครับเรื่องสนิทไรขับคุณแล้เออแม่งคิดเข้าท่าวแม่งเร็วกูเจอเลยเยอะมากวิธีคิดของเขาเท่า อยู่มาวันหนึ่งแม่บอกว่าแม่จะซื้อทีมด้วยกูโอ้โหต้องอย่างนี้สิวะผมว่ามองแม่ดีจอนไปแล้วมองไปแล้วแล้วทศิน ม, มันใช้ใช้ลูกเล่นที่ชื่อว่าางกอนหินถามทางมันแย่มือกันเองอะ่ะฟังเลสกวอนพวกมึงพอพมึง้ว ม, มยาใหญ่ๆๆโอเคแม่ก็ไปซื้อจบเข้าใจว่าเป็นสีอะไรเลยครับวิธีคิดมันก็แม่ก็สุดยอดละ แต่วิธีโกงนี <that> ่เรื่องนึงนะเรต้องดูดูดูเรื่องข้อดีของคนเข้าใจยังโกงกไม่รู้นะเอซูเขาใช่ครับคุต้องดูข้อดีของเขาแล้วคุก็ดึงมาได้คิดได้ไงมันทาได้ไงอะไรเป็นเบื้องหลังวิธีคิดของมันมันคิดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหยครับเพราะมันไล้ความแดนแล้วมันมองนอกกรอบไปแล้วประเทศไทยจะเหมือนกรอังกฤษพวคุณเป็นแค่サラ ר แมนจะาขอเป็นต่างชาติทั้งหมดก็กคือมันแค่เงินเดือน จะมีผู้แข่งอินเดียต่างๆเข้ามาเป็นอินจนียร์ในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าวิศวกรไทยแม่งห่วยตอนนี้ฝีมือในเลตติ้งแม่งสู้สู้ในเอเชียไม่ได้สิงคโปร์แม่งเก่งกว่าเวียดนามแม่งเก่งกว่าถูกไหมผู้คนมาเล่นกันว่าตัวเองออกมาเป็นแค่ส a l a r i man นั่นเองอาศัยเงินเดือนถูกต่วม่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณไร่คุณเจ๋งคุณก็ไปไหนครับคุณก็เนอยาเพื่อนผมไอ้เล็กแม่เป็น็ของเอซตอนนี้แม่งนั่งอยู่ที่คอเตอร์สิงคโปร์เขายยั่ง อันนั้นคือเจ๋งจริงใชแมหมแม่ไปดูลิินอลโอเคไว้แม่งเจ๋งแต่มันก็เก่งเรื่องเดียวได้เลยอะแม่งเก่งเรื่องโลจิสติกเรื่องการย้ายถังน้ำมันต่างๆที่จะอยู่ในประเทศไทยไปทัวโลไ่ไกลเรื่องเดียวโอเคเจ๋งมากมันไม่ใเ่สตรีมแมกมาร์มันเจ๋งเรื่องเดียวงความไปถืว่าแล้วพวกคุณเน่เก่งเรื่องไรนยัง ค, คุณต้องหาเป็นแรกงานะแรกกันทำเริ่งมงนี้ออกเป็นดีไซก็คือหาอะไรครับคุณต้องสีแรกแล้วว่าคุณจะเป็นมาสเตอร์ด้านใดคุณเนี่ยจับตัวกันไว้มึงือกให้กูดูก่อนว่าเบสออฟยูคืออะไรที่สุดอ่ะอย่างเลื่องไอโซเก0าพนเะนี่ยกูกล้าห้าชนระดับโลกเลยนะผมเ่ยเป็นมือมือมาสเตอร์คนหนึ่ง กูเรียกว่าชนได้นะจานเขียนเตเปอร์ลงไอโซระดับอินเทร์ได้นะตอนเนี้ยใช่ป่ะก็คือมาสเตอร์แต่มาสเตอร์ตัวนี้กาลังทำเงินอยู่ในระดับหนึ่งใช่แต่สักวันหนึงจะล้มอยู <c oughs> ่นเป็นมาสเตอร์รุ่นใหม่ละแต่เรื่องเก่าก็จะไ้่ลืมมาสเตอร์รุ่นใหม่ของก็คือที่ตัดสินากรรมฐานใช่ป่ะผมแม่ น, มนีตัดกรรมานปั๊บเนี่ท เ, เรื่องที่แม่รีซอสได้ทั้งหมดเลยไม่ได้ดถูกคนจบที่แม่รีซอสนะใช่ไหมผมคิ ด, ดเล่นๆนะ เกรด 2.0 มิสวาเนี่ยข้ามไปเรียนฝั่งครูแม่งประมาณ 4.0 มึงก็ยังแล้วเมืม่อครูเนี่ยเจอกูเนีย่ยกูเฉือนมึงสบายสบายอย่างความได้เปรียบวิธีชิดคูเจ๋งกว่าสบการณ์คูยุ่กว่านะีะเดี๋ยวูลงไปเป็นหัวหมาเว้ยตอาหัวหมากัหางเสือมันจะเป็นรนีห็ะว่า ห, หางเสือก็เจอขี้เสืออยู่เรือูยอมไปเป็นหัวหมาเว้ย ไลจากหมาอย่คุณจะพัฒนาขึ้นกายจเป็นพันชิสุให้คนก็อุ้มเล่นน่ารักน่ารักเขางอยู่กั น, นมคนอุ้มกันอเขาจยังอาจะสชหรือนแมนเขาขาังไว้โกงปล่อยมันกาคืนเท่านั้นนะไอออนเป็นหมาก้อ ง, งเลือพันด้วยใช่หใช่ป่ะมึงเป็นชิสุมึงเป็นน่ารักน่ารักคุณนายคุณผู้หญิงก็พาไปเดินได้บนเตียงโอ้โห หมามัเนตัวใหญ่ใช่ไหมตัวเล็กๆพอแลเอาไว้คยงเป็นุทเดินเรื่หมาแล้วก็สนุกดีนะผมสอนเซแมนที่บริษัทแห่งหนึ่งนะผมใส่ความรู้ทุกเรื่องให้เขาเือละครเลยละครล่าสุดเู่สอนเรื่องหมาไทำไมต้องสอนเรื่องหมาให้เซแมนลองเดาใจผมดิทำไมอสอนเรื่องหมา คุณเป็นซเลยคุณต้องรู้ทุกเรื่องจนตัดสินใจเนี่ยไอเทียหรืออโซมึงไม่เคดิอซญิงมไทยแน่สรงุทิ่พลจำไว้เลยมึงอย่ได้ประมาเด็กขาดอีกพวกเนี้ยเห็นแม่เยียดี่ยเอยู่หลังร้านไม่พูดแต่เส้นเชคกับมันเมื่อก่อนบริษัทเราเนี่ยลาโมกสกปรก มีแต่พระโปรแจกก็เราเชื่อว่าเฮียชอบกะลงกรรี่เบอร์ไหนเจ๋งเนี่เรารู้กันหมดหมอนวดตัวไหนดีไม่ดีสั่งก็ู้ได้กูคือสั่งได้สุดท้ายผมเข้าเป็น m a r k เ t i n g m a n a ม e เจที่มสานะผมโล่หมดเลยเลิกรามกไดแล้วาใไม่คราวนี้แจกพระเครื่องพระดีๆอยู่ที่ไหนหลวงปู่อยู่ที่ไหนคุณเชื่อไม่ยอดขายผมพุเกือบสองเท่าเพราะเฮียไมามกเ้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหยครับ แต่พอมาทำโมทำโมเนี่ยทำงานเนี่ยเฮีย่มันชั่วร้ายอยู่เนี่ยมันก็จะมีปลอมตัวทำเป็นธรรมะทันทีเองก็จะอยังมันเป็นการสร้างภาพเรื่อนี้เป็นเรื่องของการสร้างภาพมันก็สร้างภาพปูก็ต้องสร้างภาพแต่เจ๊อับซอสี้ทำมาจริงๆนะหลายๆอย่างเขาวชั่วมากนะนั่นเขามากเหล็กดุนแรงก็เลยสอนเรือเ่ อ, อนงนี้สนเสเียเรื่องหมาเนี่ก็เอีกเรื่องหนึ่งเป็นแค่เสี้ยวหนี่งก็ต้องสอนเรื่องหมาเห็นไหม เซลล์มาเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกคนต้องเก่งเรื่องหมาขอให้มีคนคนนึงเก่งเรื่องหมาแล้วใช้ k n o w โนเลจพูดกันจะเขาว่าพูดไหมแค่นี้ลงมาที่มาผมเป็นตัวสตาร์ทติ้งพอยต์ดิจิตี้ของผมคุณทำให้ผมดูก่อนหมาเหล่านี้ผมใช้ทำอะไรไหมครับใช้ทดสอบได้พี่พัอะไรทำอะไรเอ่ยชอบนอนหงายท้องด่างไม่เห่า น้าผมก็ไปเล่าบาเซนจินี่คือไอ้ทงแดงท่านน้อยทองแด ง, ง, แดงเป็นเป็นหมาแอฟริกันนอนหงายท้องจุดจุกสันดานมาเลยนะนี่เรเจอร์ามาเลยนะว่างต้องนอนหงายแล้วไม่เห่ามันใกล้เป็นคนแล้วฮ <Yes. S 1> ันหลานดูดิดูผมก็ควยมากเนะี่ยทันที่ที่ทแก่้ๆนั้นชอบหมาเพราะทำไมครับมึงต้องกลับไปที่บริษัท เปิดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโหลดเรื่องหาอู้ไปตอนนี้พวกมันมีทุกคนจะเซลเนี่ยแล้วก็ไป chat, ชีช้แชร์เจาะแจะแล้วมึงก็อยากเก่งกับลูกค้าแต่จงเป็นเด็กที่น่ารักเข้าไปถามลูกค้าพี่ๆตัวนี้ต้องอย่างเข้าใจยังมึงไม่จำเป็นต้องรู้แต่มึงทำตัวไปเที่ยงมือถือเหมือนคนอยากรู้เข้าใจยังแต่ละครั้มึงจะมีอินโฟเมชันอนใหม่ๆแย่ให้อะเยกับอซ้อมขายของเรื่อยๆมึง อ, งอย่าปล่อยหมด ปล่อยทีละนิดพลังกลับมาใหม่ปล่อยนิดๆมีเรื่องคุยเขายังแล้วอย่าไปป้าดลูกสาวใครเขาจะโกรธมึงยกเว้นเขายกให้มึงเองโอนอย่างเงี้ยอันดับหมาฉลาดเห็นป่ะอีผมทำให้มั น, มนพร้อมเลยนะหมาฉลาด KPI ของมันก็คือสอนไม่เกินห้าครั้งแม่งทำได้พอเป็นปั๊บ มากกว่า95เป็นเชื่อคุณใช่มั้ยเอ็นแมงในหลวงก็พูดเอ็นแมงเนี่ยทองแดงหงายท้องบางทีเลยเอน็นแมงเห็นไหมร้อยครั้งสักเจ็ด95ถือว่าฉลาดแนละ้วพอผมสอนให้พวกคุณดูสัญญาณหมาแล้วเนี่ยนะมี่หมาฉลาดนะโจทย์ถามว่าเก่งเรื่องหม า, าต้องมาเก่งเรื่องอะไรครับคน ผ, ผมเลิกมิคเค์ล ผมให้เซลผมวิเคราะว่าเนี่ยพวกเราในบริษัทแต่ละคนแมกประมาณทันไหนบาทีใช้ดวงด้วยครับดวงใช้อันนึง น, นะอันนี้ใช้แบบคอมแพมล็กกับหมาไล่ไล่ไล่เนี้ยงดูหมาตอนที่ออกในการไอ่สีสันมันสบายเนี่ยไอดวงตาตูนก็เลยถามุูกสาวผมแตกหัวว่าหืูพ่อสอนเลี้ยงหมาไหมสอนแล้วพ่อให้ยัยงไหไม่ให้ เมืพ่อไม่ให้เลี้ยงสุดยอดเลี้ยงคือไม่เลี้ยงแต่เมื่อข้างบ้านแม่งเลี้ยงหมดเราต้องเลี้ยงไหมเลี้ยงว่ะเลี้ยงทำายหนเพ่อทุกเยน็นเล่นที่ไหนครับ<ำ> บ, าบา้านเพื่อนบ้านเพื่อนยังเออพกช่วย <c oughs> แต่แรั้งเสร็จแล้วโยตาจูก็ถามถามว่าแล้วหนูว่าเป็นพันอะไรมันก็บอกว่ามันเป็นพันเวสตี้ ลูกผมเป็นเวสตี้เคุณจำเวสตี้มั้ยเวสตี้คือหมาหมาสี ข, ขาวๆนะสีดูแบบเป็นอ๋อไม่ได้อยู่แผ่นนี้เวสตี้พิสัยเนื้อจะเป็นแบบหนึ่ ง, งนะเวสตี้เทอเลียนจะน่าราักน่ารักมากมเล<อ>ยนี่ เนี่ยอย่างเงี้ยเคยเจอไหมขแน่ๆกำมาหยีเงี้ยมือเลียงอย่างนี้แล้วมอมงานที่มีสาวๆเยอะๆนะถ้ามมีเมียมึงให้ตะเลยมันเป็นอาวุธึง่เข้าใกล้ผู้หญิงได้เายังหน้าตีเราเนี่ยมึงเอาหุแทเายังจิ๊อ่าเ้าแล้วเายังเนี่ยพยายามทตัวย่เซลเซล แล้วลูกสาวผมเป็นเวสตี้แล้วก็ถามวนะ่าน้องสาวหนูเป็นอะไรน้องสาวน้องสาวเป็นเอไอตัวต่อแหลต่อแหล่ะพุดเดิ้ลไอ้ไอพี่สาวา่ะแต่ขวผมก็บอกว่าน้องมันนะลูกส่วนเล็กผมกาเป็นพุดเดิ้ลอีโรตาโก็ถามว่าทําไมทําไมเป็นพุดเดิ้ลเขาก็เล่าลักษณะนิสัยให้ฟังว่าพุดเดิ้ลเป็นอย่างนั้นงนี้เหมือนน้องหนูเลยค่ะตรงผมว่าสอนลูกอมเรื่องอะไรครับนอกจากจะสอนลูกหมาแล้วสอนเรื่องอะไรอีก ค ом เพลคอะไรครับเขาเรียกว่าแมทชิ่งการคิดแบบแมทชิ่งสำคัญมากๆคุณเห็นอะไรอย่างหนึ่งคุณก็แอพลายให้เรื่องหนึ่งเนอย่างแอพลายเรื่องนึงอันนี้ถึงเป็นจอดนักคิดนี่คือเลนเฮา o ู i n งนะครับคุณต้องหัด Learn How To t h i น k อยหัดแมทชิ่งหน่อยๆที่ผมสอนเด็กให้หัดแมทชิ่งเอาง่ายๆเลยเทียบหมายกับคนแล้วเมื่ออี้โดนตาตูก็ถามตอบแล้วแม่ห่าเป็นไรแม่ตอบไปไม่ต้องคิดเลยโดโรเมน <laughs> อะรลองแม่ดูไหแล้วพ่อเป็นอะไร <c oughs> เลียย้อนใส่กุยพ่อเป็นชนาเซอร์ผมผมเป็นคันชนาเซอร์เป็นหมาที่มีแนวคิดที่สุดในเกาหลีตอนนี้ชนาเซอร์ <c oughs> er. น่ารักนะลองเลี้ยงดนะูนะนรเี้ยงง่ายตัวเล็กมินิเจอร์เลี้ยงงาย่ายที่สุดทีคนถาวอาจารย์ทาไมบอกว่าชนาเซอร์เลี้ยงง่ายคุณดูนี่คุณดูสทำไอ้นีไว้ให้คุณดูสดาวกอเรียนรู้ของผม l e a ผม แล้วพ่อปู่แม่จะระเบิดแล้วมือเนี่ยก็มีเอ็กซโนได้เนี่การคิดอย่างนี้อ่ะโดมาในกลุ่มไม่เกินสิบกิโลนะครับผมก็จัดเลทติ้งคือหัวผมไม่ดิซิชันไม่ไม่ถิกนะครับเห็นยังถูกไหมี่คือพันยอชายน่ารักไหมผู้หญิงจะเอยงยอกชายกันแล้วก็แต่งตัวหมันขี้ขวโนโลเลจริงปะ พวกมึงก็ควรจะมีเซนต์ของยอกชายเวลาเจอเถือกันทำไมครับเฮ้ยน่ารักก็มีเหมือนกันเลยนี่ยพมึก็เสือๆตายเยอะแล้วมึงก็อุด ม, มาคาับาก็เดิมมนลงก็หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยตายชูเนตัวยาตัวยาเนี่ยองจริงแร่งราโมเฮ้นะแล้วก็สนุกไหมเ <c oughs> ค, คุณมีเทเบิลวเนี้เซลผมลาไปสอนคนนี้เลือกมาเนี่ย คุจะมีข้อดีข้อเสียของหมาแต่ละพันธุ์พวกนี้ก็ขนล้วงไหมไม่ร่วงเลยนี่คือข้อเสียหมาพวกนี้มันเกิดจากการผสมพันธุ์คัดเลือกสายพันธุ์ตัดแต่งยีนอะไรก็แล้วแต่จกนกระทั่งได้พันธุ์ซึ่งเหมาะสมไปทางนี้ในาพาร์ทเมนต์มันตัดข้อเสียออกพอได้ตรงนี้ก็ผมคิดถึงพวเอเดนเลยครับว่ากูเป็นหมาพันธุ์ไหนวะข้อเสียกูคืออะไรกูควจะเอาออกนะใช่ไหมครับพ ว, พวกคุณจะนั่งตรงไหนพวกคุณก็เหมือนกันนะ อย่ามีตัวตนใี่มันมากนะดีที่ใส่ยยิ่งเอวออกไปซะถ้าเกิดคุณเป็นหมาประเทศต้องอยู่ในทุ่งนาแต่น้าวันนี้คุณอยู่เป็นหมาบ้านคุณเอา้ใสัหมาทุ่งนาไปใช้ได้ไหมรักอิสระเสรีให้เวนเนี่ยพาร์ทเมนต์มึงมึงก็ชิบหายเลยใครยี้มมึงต้องลาออกมึงอย่าอยู่ที่นี่ถ้ามีตาตัวตนมึงต้องลาออกอยู่ที่นี่ต้องตามใครเสมอครับบอสถูกเสมอ้าพิดทำไมครับ ตามบอสอีกครั้งหไไนึ่งก็เล <laughs> ยอาี <c oughs> อยู่ที่บอสจะเช้งเลแล้วแต่อยู่ที่บอสแล้วคุณอยากไปซมากเขยตามบอสไปก่อน <c oughs> แต่ผม อ, อกะถ้าได้บอสดีลูกแต่ได้บอสไม่ดีเนี่ยมือ อ, อ่นอนมือเหนื่อยขนรุ่มเหมาะกับเด็กไหมเหมาะไหมมันได้รับการ a s s i g มา <c oughs> ใช่ไครับ <c oughs> มไม่ค่อยหมกับเด็กเท่าไหร่ย่กชาย ไม่คยชอบเด็กชอบหญิงสาวขายหนุ่มมึงก็ต้องเข้าใจมันเห่าไหมมึงเสื้อเนี้ยนในคอนโดมึงมึงไม่ต้องนอนแล้ว<อ>ยกชายเลยมึงไม่ต้องนอน <c oughs> มไม่ต้องนอนอยู่บ้านได้แบบนี้อยู่บ้านได้อ ย, ไดอยู่พักเล่นลบาบากอะไรอย่างออกกําลังกายยี่สิบถึงสี่สิบต้องหาวิ่งไหมครับแต่บ้านคุณพื้นตูนอย่างนี้หมาคุณอกแตกตายอกฉีกเนี่ยต้องพื้นย่า ตอนนี้คือพื้นที่มันไม่มีไม่มีฟิกชันเขาไม่มีฟิกชันพับหมามันจะแตกจะพักหนึ่งก็จะตายห่าเข้ายังต้องเลี้ยงมันกรมป่วยง่ายไหมง่ายทาฉลาดติดที่27สิบเจ็ดเหงาไห้เหงาแม่งติดคนตอนนั้นไปไหนต้องอุ้มมันไปตลอดตกลงมันเป็นธาตหนึ่งมันไปไว้วที่สาบสาของมึงยอกทายเงื่อรู้เลี้ยงเยงง่ายไหมใช่ครับอยู่เรสซเมน์ดีไม่เหม็น แต่จะตายที่โลกปอดเห็นยังผมคนตายขนาดนี้นเวสตี้ลูกสาวผมเนี่ยใช่ตอนนี้ตอนนี้มีเวสตีของคนข้างๆเขาเลี้ยงอยู่นบ้านผมไม่ต้องเลี้ยงเขเป็นคนโดท่านสิของ์คงข้างๆอะรยังเล่นทุกวันหรือเจ้าของเขาก็ชอบด้วยใช่ไหมเกี่ยคุณเลือูเลยส่วนพันนี้ถ้าผมจะเลี้ยงผมจะเลี้ยงตัวนี้มินิเจอร์สแนวเซอร์ออผมคอมเพล้ยแมงเจ๋งสุด ขนร่วงน้อยบอกกระเด็กปานกลางาเดี๋ยวลูกคูก็โตแล้วช่างแมงเห่าปานกลางออกกําลังกายสี่สิบถึงหกสิบนัคือข้อดีทัวรคูให้ทําไมครับไปวิ่งที่สวนกับมันมึงนวดวิ่งกับมันป่วยน้อยมากฉลาดอันดับที่สิบสองเอ็กเซลเลนต์เลยถูกไหมไม่เหงาเว้ยนี่แหละที่คูต้องการเมื่อครูจะชิ้งมึไว้บ้านเมื่อครูไปทํางานให้หัดอยู่คนเดียวก็วมัง่งและหน้าตาหน้ารักชอบจับหมู ชอบกับตัวอื่นทั้งทาที่ตัวเองสู้ไม่ได้เปนอย่งนี่คือข้อเสียของมันไอเวนแล้วมึงจะบางรอบังใ้หมาตัวใหญ่มากคุณต้องจับมันเก็บไว้แต่พอเจอหม้ายดชายน่รักของสาวๆว่าไงครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแน่รกค่ไนยังมึงมีเรื่องคุยเขาแล้วค่านยังที่เหลือใช้ความสามารถส่วนตัวเรื่องอื่นแล้วคนที่เลี้ยหมระดับสวยๆได้บ้านแม่รวยมันมึงได้เงียยยังนี่คือเป้าหมายแค่ยัง ทำอะไรมึงก็มีเพอโสมึงเอาไอ้อ้นนอกแม่งเลี้ยงหมาขี้เลื่ อ, อนสวยอ่อนพอมาเห็นเะข้าใจยังเข้าใจวิธีคิดมเชีวิตคุณจะเปลี่ยนเรื่อย ๆ, ๆนะปักกินดื้อทีหมา ย, ย่าไปเลี้ยงแม่งดื้อในองค์กรคุณ ม, มีคนปากกินไหมนี่นะผมชำนาญเลืงหมาเลยเรื่อย ๆ, ๆนะที่บริษัทมันจะคุยกันเลยวนะ่าใครเป็นพันไหนพันไหนแล้วค่อยแก้คุทธเดืนี่สอนง่ายสุด ปาเี่ขนล่วงเลื่อนห้าเก้าล่วงสิบเส้น <c oughs> มึงจะเลี้ยงมันเปล่าเลี้ยงที่ผสมพันธ์หมาออกมาเองตอนนี้กำลังมาแรงคือ ป, ปาบิยงองหูสวยมากเหมือนผีเสื้อหน้าเลี้ยงมากน่ารักหน้าอุ้มข้อมูลยังไม่ชัดเจนด้วยใครใครมีข้อมูลตรงนี้จะเป็นที่น่ารักของว ง, งการไม่ใช่ยัง <c oughs> ส่วนชอ้อดีคือคนแบบไหนครับคือคนรู้หลายๆเรื่องแล้วเปลี่ยนว ง, งการบ่อยๆ คุณจะเจอคนอีกหลายหลายสาขาคุณได้เพื่อนเพิ่มเข้าใจยังเราไปงานหมาเนี่ยดูดยนหน้าไปไหมมันไปงานหมาใช่ไหมเนีย่ยใส่บีเรียนฮัสกี้เนี่ยประเด็นได้อยู่ที่หมาไระเด้อยู่ที่นี่อันนี้ตัวไหนครับบีเกิลนิคาอันเชอรีนี่จะเจออย่างนี้อย่างนี้นเขา้าใจยังเดี๋ยวเขาโก้มโก้ ม, ม, มเหนื่นอยเงี้ยเข้าใจยัง มันก็ไปดึกเสือเขาเข้า ไ, ไ, ไหมเ้ี่ยเจองงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเ้ไม อ, ER, อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปว่าเอาฟล่าพิลเลอร์อะไรเงี้ยมันจเจอบ่อยเขาเล่นกับหมามันเข้าไปเล่นกับเขชอบไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนหะมาเล่โคดขาวเลยเนะี่ย